สิสัตธิวิหาริกวัตตกถาว่าด้วยสัตธิวิหาริกวัตข้อหกสิบเจ็ิกษุทั้งหลายอุปชาพึงประพฤติชอบในสัตธิวิหาริกวิธีประพฤติชอบในสัตทิวิหาริกนั้นมีดังนี้พิกษุทั้งหลายอุปชาพึงสงเคราะห์อนุเคราะห์สัตธิวิหาริกด้วยอุเทศปริปุจรฉาโอวาตและอนุสาดถ้าอุปชามีบาท สัตว์ที Kad ่ว yes. uh ิหาริกไม่มีบาทอุปชาพึงถวายบาทแก่สัตว์วิหาริกหรือพึงทำการควนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอบาทพึงเกิดขึ้นแก่สัตว์วิหาริกถ้าอุปชามีจีวรสัตว์วิหาริกไม่มีจีวรอุปชาพึงถวายจีวรแก่สัตว์ที่วิหาริกหรือพึงทำการควนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอะจีวรพึงเกิดขึ้นแก่สัตว์ที่วิหาริก เท่าปราชามีบริการสัตว์วิหาริกไม่มีบริการอุปชาพึงถวายบริการแก่สัตวิวิหาริกหรือพึงทำการควนควายว่าด้วยใบยอย่างไรหนอบริการพึงเกิดขึ้นแก่สัตวิวิหาริกถ้าสัตวิวิหาริกเป็นไข้อุปชาพึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ถวายไม้ช่ำราฟันน้ำล้างหน้าปูอัสนะถ้าข้าวต้มมีพึงล้างภาชนะใส่ข้าวต้มเข้าไปถวาย เมื่อสัตวิทวิหาริกชันข้าวต้มเสร็จแล้วพึงถวายน้ารับภาชนะมาถืออย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดล้างแล้วเก็บํำไว้เมื่อสัตวิทวิหาริกลุกขึ้นแล้วพึงยกอาสนะเก็บถ้าที่นั้นรกพึงกวาดถ้าสัตวทวิหาริกต้องการจะเข้าหมู่บ้านพึงถวายผ้านุ่งรับผ้านุ่งอาศัยถวายประคดเอวถวายสังฆาติที่พับซ้อนกัน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 เมื่อจะพับจีวรพึงพับจีวรให้เหลื่ยมมุมกันสีนิ้วตั้งใจว่าตรงกลางจะได้ไม่มีรอยพับพึงม้วนพระโคดเอวใส่ขนดจีวรถ้าบินทบาทมีและสัตวิวิหาริกต้องการจะฉันพึงถวายน้ําและนําบินทบาทเข้าไปถวาย น, นําน้ําฉันมาถวายเมื่อสัตวิวิหาริกฉันเสร็จแล้วพึงถวายน้ํารับบาดมา ถืออย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดล้างแล้วเช็ดให้เสดดน้ําพึงแดดครู่หนึ่งไม่พึงพึ ง, พงทิ้งไว้ที่แดดพึงเก็บบาดและจีวรเมื่อจะเก็บบาดพึงใช้มือข้างหนึ่งถือบาดใช้มือข้างหนึ่งคลำใต้เตียงหรือใต้ตังจึงเก็บบาดไม่พึงเก็บบาดไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรองเมื่อจะเก็บจีวรพึงใช้มือข้างหนึ่งถือจีวร ใช้มือข้างหนึ่งรูปราวจีวรหรือสายระเดียงเอาชายไว้นอกเอาขนดไว้ในจึงเก็บจีวรเมื่อสัตทธิวิหาริลุกขึ้นแล้วพึงยกอาสนะเก็บพึงเก็บน้ําล้างเท้าต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าถ้าที่นั้นรกพึงกวาดถ้าสัตวทวิหาริกต้องการจะทรงน้าพึงจัดน้าทรงถวายถ้าเธอต้องการน้ำเย็นพึงจัดน้าเย็นถวาย ถ้าเธอต้องการน้ําอุ่นพึงจัดน้าอุ่นถวายถ้าสัตว์ที่วิหาริกต้องการจะเข้าเรือนไฟพึงบทจุรนพึงแช่ดินถือตังสําหรับเรือนไฟเดินไปถวายตังสาหรับเรือนไฟแล้วรับจีวรมาวางณนะที่สมควรพึงถวายจุรนและดินถ้าสามารถพึงเข้าเรือนไฟเมื่อจะเข้าเรือนไฟพึงเอาดินทาหน้าปิดหน้าและหลัง จึงเข้าเรือนไฟไม่พึงนั่งเบียดพระเถระไม่พึงกีดกันอาสนะพระนวกะพึงทำบริกรรมแก่สัตธิวิหาริกในเรือนไฟเมื่อจะออกจากเรือนไฟพึงถือตั้งสำหรับเรือนไฟปิดหน้าและหลังจึงออกจากเรือนไฟพึงบริกรรมแก่สัตธิวิหาริกแม้ในน้ำตนสงเสร็จแล้วพึงขึ้นก่อนเช็ดตัวให้แห้ง แล้วผดผ้าพึงเช็ดน้ำจากตัวสัตวิวิหาริกถวายผ้านุ่งสังาติถือตัางสำหรับเรือนไฟมาก่อนปูอัสนะเตรียมน้ำล้างเทา้าต่งรองเทา้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้นำน้ำฉันมาถวายสัตธิวิหาริกสัตธิวิหาริกอยู่ในวิหารใดถ้าวิหารนั้นสกระปรกถ้าสามารถพึงชำระให้สะอาดเมื่อจะชำระวิหารให้สะอาด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 พึงเก็บอยากเยื่อไปทิ้งหน้าที่สมควรครมปูพื้นพึงพึงแดดชําระตบขนกลับปูไว้ตามเดิมเขียงรองเตียงพึงพึ ง, พงแดดเช็ดขนกลับวางไว้ตามเดิมเตียงตงั้งพึงพึงแดดชําระปัดยกอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตูขนกลับตั้งไว้ตามเดิม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 จีวรพึงใช้มือข้างหนึ่งถือจีวอใช้มือข้างหนึ่งรูปราวจีวรหรือสายระเดียงเอาชายไว้นอกเอาขนดไว้ในจึงเก็บจีวอนถ้าลมเจือฝนละอองพัดมาทางทิศตะวันออกพึงปิดหน้าต่างด้านทิศตะวันออกถ้าลมพัดมาทิศตะวันตกพึงปิดหน้าต่างด้านทิศตะวันตกถ้าลมพัดมาทางทิศเหนือพึงปิดหน้าต่างด้านเหนือ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 ถ้าสัตวิวิหาริกเกิดความไม่ยินดีอุปชาพึงช่วยระงับหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยระงับหรือพึงแสดงธรรมกระถาแก่สัตว์ที่วิหาริกถ้าสัตว์ที่วิหาริกเกิดความรำคาญอุปชาพึงช่วยบรรเทาหรือพึงบอกแก่ภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทาหรือพึงแสดงธรรมกระถาแก่สัตว์ที่วิหาริกถ้าสัตวิวิหาริกเกิดความเห็นผิดอุปชาพึงให้สละเสียหรือพึงบอกแก่ภิกษุอื่นให้ช่วยสละเสีย หรือพึงแสดงทำกระถาแก่สัติวิหาริกถ้าสัติวิหาริกต้องอาบัตหนักควรแก่ปริวาสอุปชาพึงทําการควนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอะทรงพึงให้ปริวาสแก่สัติวิหาริกถ้าสัติวิหาริกควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิมอุปชาพึงทําการควนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอะทรงพึงชักสัติวิหาริกเข้าหาอาบัตเดิมถ้าสัติวิหาริกควรแก่มานัด อุปชาพึงทําการควนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอะสงพึงให้มานัดแก่สัตทิวิหาริกถ้าสัตธิวิหาริกควรแก่อภานอุปชาพึงทําการควนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอะสงพึงอภานให้สัตทิวิหาริกถ้าสงต้องการจะทํากรรมคือตัชนียกรรมนิยสกรรมปปภาชนียกรรมปฏิสารณียกรรมหรืออเุเขปณียกรรมแก่สัตทิวิหาริกอุปชาพึงทําการค ว, ว, วนขวายว่า ด้วยบายอย่างไรหนอสงไม่พึงทํากรรมแก่สัตธิวิหาริกหรือพึงเปลี่ยนไปเป็นโทษเบาด้วยว่าสัตธิวิหาริกได้ถูกสงลงตัชนียกรรมนิยสกรรมปภาชนียกรรมปฏิสารณียกรรมหรืออุเคปณียกรรมแล้วอุปชาพึงทําการควนขวายว่าด้วยบายอย่างไรหนอสัตธิวิหาริกพึงกลับประพฤติชอบพึงหายเ ย, ยื่ยยิงพึงกลับตัวได้ ทรงพึงระงับกรรมนั้นเสียถ้าจีวรของสัติวิหาริกจะต้องซักอุปชาเพึงบอกว่าพึงซักอย่างนี้หรือพึงทําการขวนขวายว่าด้วยบายอย่างไรหนอใครใคพึงซักจีวรของสัตวิหาริกถ้าจีวรของสัตวิหาริกจะต้องตัดเย็บอุปชาเพึงบอกว่าพึงตัดเย็บอย่างนี้หรือพึงทําการขวนขวายว่าด้วยบายอย่างไรหนอใครใคร พึงตัดเย็บจีวรของสัตวิวิหาริกถ้าน้ำย้อมของสัตวิวิหาริกจะต้องต้มอุปชาพึงบอกว่าพึงต้มอย่างนี้หรือพึงทำการควนควายว่าด้วยบายอย่างไรหนอใครๆพึงต้มน้ำย้อมของสัตวิวิหาริกถ้าจีวรของสัตวิวิหาริกจะต้องย้อมอุปชาพึงบอกว่าพึงย้อมด้วยอย่างนี้หรือพึงทำการควนขวายว่าด้วยบายอย่างไรหนอใครๆพึงย้อมจีวรของสัตวิวิหาริก เมื่อจะย้อมจีวรพึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาดีๆเมื่อหยาดน้ําย้อมยังหยดไม่ขาดสายไม่พึงหลีกไปถ้าสัตวิวิหาริกเป็นไข้พึงพยาบาลจนตลอดชีวิตพึงรอจนกว่าสัตวิวิหาริกนั้นจะหายสัตวิวิหาริกกวัตตกถาจบ